เออมนรูปกิเลตก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าส่งสายตามันส่งสายตาชวนเชนิญส่งสายตายั่วยวนใช้เขาเรียกภาษาตา ม, มีจริงจริงอะไรนะนนเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> เรามาไม่รู้จักบอกว่าตะกี้บอกว่าอะไรนะอ่านจิ น, น, นมันคืออะไรอะ่ะไม่เคยอ่านกินเหรอ เออไม่เคยได้ยินฮะฮะปะเปาเนี่ยคํานวณเขาเนี่ยว่าอ่านกินนี่ใครเคยได้ยินม้างไม่เคยได้ยินยยนะนะอันมาเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้เลยอ๋อเขาใช้คานวนนี้เหรอว่าอ่านกินเหรอโอ้แม่อัตมาเพิ่งเคยได้ยินจริงจริงเอออ๋เพลงเหรอ นั่นหะหรือจะใช้สายตาทอสะพานอะไรไอ้อย่างยิ่ยั ง, ย ง, ยงพอได้ยินบ้างแต่อ่านกินเพิ่งเคยจะยินจริ ง, รงหมายถึงเ่ไงกินนี่คืออะไรเสพกามอะไรพวกนี้เหรอกินเอออ่าน น, นี่ใช้สายตาเสร็จแล้วก็ยิมยม้มแย้มยิ้มแย้มก็คงเหมือนใช้สายตาเ่าแหละก็ยิม้มยิ้มนี่โอโ้โหคุณเยอนึกไปนะั่นะนะเยอะนะยิ้มแบบ อะไรอ่ะหน้าเกลียดหน้าชังก็มียิ้มแบบเ ย, ออย้ยหันก็มีใช่ไหมเออยิ้มแบบยัย่วยวนกวนโทสะกวนโทโสก็มีอ่ยิ้มแต่ในที่นี้นี่เขาหมายถึงมายิ้มยั่วใจปล่รบปรโอมใจอันนี้เขายิ้มแบบยิ้มแบบเชิมชวนอ่เนี่ยเนั้นก็ต้องระวังเพราะนั้นใครเนี่ยบางทีต้องไปดูนะ หน้าตาตัวเองหรือถ้าเกิดมีใครให้คุมทรัพย์บอกโอ้โหคุณ น, นี่ตาคุณ น, นี่ยิ้มของคุณ น, นี่มันยิ้มอย่างยี้ใช้ไม่ได้อ่ะยิ้มอย่างยี้นี่มันยั่ว r, ยวนใจคนอื่นเขาอ่ะเพราะฉะนั้นนี่หัดหัดปรับสายตาถ้าปรับสายตาไม่ได้ก็ไปทําแว่นตาใส่ซะนะแล้วก็หัดยิ้มงนยากนะ ย, น ย, กก ย, ยิ้มนี่ยากมากเลยยิ้มนี่ยากมากเลยเพราะว่า บางทีเนี่ยมั น, ม, นมันไปของมันเองมันสะสมมาแล้วมันไปของมันเองถ้าคุณรู้ตัวคุณต้องมีสติคุณรู้ตัวคุณถึงโอ้โหต้องพยายามเพราะคุณมองไม่เห็นนคุณต้องพยายามโอ้โหปรับก็มีแต่ว่าต้องไม่ยิ้มเท่านั้นเองไม่ยิ้มแบบนั้นน่ะต้องเลิกยิ้มแบบนั้นโอนี่ยากมากเลยเพราะคนเราเนี่ยมันจะเผลอเผลอมันก็ยิ้มไปตามธรรมดาธรรมชาติของคนคนนั้นนะอานี้ยิ้ม ส่วนไอเนียนนุ่งผ้าหลุดหลุดลุยลยนี่ชัดเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผ้ามันหลุดหลุดลุยลุยจริงๆนะมันน้อยชิดคือจริงๆผ้ามันดีๆดีวยแหละแต่เขาไปตัดให้มันอะไรอะ่ะเหมือนขาดมั่งเหมือนเป็นรูมั่งนะอะไรอะ่ะขาดตรงหัวไหล่มั่งอะไร อ, ะอ่ะเออว้าวแหวงแหวงนะพูดง่ายๆอ่ะ ตัดผ้าให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เยอะจริงๆนะเยอะจนโอ้ทนดูแฟชั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ยิ่งแฟชั่นจากไอ้ต่างประเทศจะญี่ปุ่นก็ตามไม่ต้องเอไม่ต้องไอ้ยุโรปเขานะเอเชียเนี่แหละจะญี่ปุ่นก็ตามพวกนี้โอ้โหดูไม่ได้เลยแฟชั่นเดี๋ยวนี้แย่มากๆเพราะว่ามันนุ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนุ่งน้อย ชิ้นนุ่นผ้าผ้ามันแพงหรือไงก็ไม่รู้นะผ้ามันรู้สึกว่าโอ้ตัดเล็กลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะอ อ, อะไรนะแต่ก่อนสายใหญ่ๆเขาเขาจะเรียกสายหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยเสื้อแบบคอรกระเช้าของคนโบราณก็ยั ง, ย, งยังใหญ่ๆ ห, หน่อยใช่ไหมอ่าไปๆมาไอ้พวกนี้มันก็ใช้คอรกระเช้านะแตเดี๋ยวนี้ แต่มันก็มาดัดแปลงเหลือสายเล็กลงเล็กไปเล็กมาก็สายนี้ก็หายไปก็เหลือแต่เกาะ อ, อกเท่านั้นเอง เ, อเสื้อแต่ก่อนเขาก็ยาวๆใช่ไหมปิดมาถึงกางเกงนี่ปิดก้นลงมาเลยเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยๆหดลงหดลงผ้ามันไม่ค่อยดีหรือไงซักแล้วก็หดขึ้นหดขึ้นไม่ใช่หดลงมันหดขึ้น มันสั้นขึ้นสั้นขึ้นสะดือโผล่หมดละเดี๋ยวนี้ไปดูคะเสื้อโอ้เดี๋ยวนี้ถ้าขายเ ส, สื้ออะไรนะยาวหน่อยโอ้ไม่ทันสมัยละมีแต่เสื้อสั้นๆแต่นี่ห้ามาขายที่เรานะที่เรานี่ไม่เอาเสื้อสั้นๆต่อให้ปิดสะดือก็ตามแต่สั้นเราก็ไม่เอานะที่พลังบุญนี่ไม่ให้ขายที่พลังบุญต้องให้ยาวลงไปพอสมควร นะเนี่ยหลุดหลุดลุยลุ ย, ลยและพูดไพเราะอันนี้เป็นการประล่าะโลมทั้งนั้นหญิงทั้งหลายเป็นโจรใจแข็งนั่นหญิงทั้งหลายเป็นโจรใจแข็งดุร้ายเป็นโจรใจแข็งอาตมาว่าเออเป็นโจรใจแข็งเป็นยังไงเป็นโจรแล้วก็รู้แล้วต้องหมายถึงไม่ดีแล้วมันมารวมใจแข็งเข้าไปอีก รวมดุร้าเข้าไปอีกใจแข็งอันตมาว่ามันใช้ปากแข็งดีกว่ามั้งนอะไอใจแข็งนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนใจคิดอะไรหรืออะไรก็ปกักปักใจไปอา้าวเขาเรียกว่าใจแข็งแต่อัตรมาอยากใช้ปากแข็งมากกว่ารู้สึกว่าบางทีโอ้นะยืนอะไรอ่ะพูดอย่างนี้ยืนก็ตายขาเดียวอ่ะนะพูดอย่างนี้ อย่างี้อย่างี้นี่นแหมไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆเลยนะถ้าถ้าถ้าปักลงไปที่อะไรแล้วก็เปลี่ยนยากส่วนคำว่าดูร้ายก็คงหมายถึงไปในทางลบไปในทางไม่ดีอ่านะหรือว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนน้ำตาลกรวด <c oughs> เป็นยังไงเหมือนน้ำตาลกรวดย่อมไม่รู้อะไรอะไรว่าเป็นเครื่องล่อลวงในมนุษย์ น้ำตาลกรวดก็เหมือนกับอะไรฮะเรู้แล้วแล้วเป็นก่อนๆ น, น้ำตากลกวดอ่ะมันแข็งแต่หวานอา่ก็คงจะเป็นเหมือนของหวานเมืองคือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะนะมากติดของหวานชอบของหวานก็ใช้ของห ว, วานเนี่ยแหละล่อคนโดยที่รู้ตัวก็ตามหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะเรื่องของกิเลสตัณหา อะไรพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเสียเขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรใช่ไหมเขาก็ติดตัวมาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วอะจนกระทั่งมาเกิดเกิดเสร็จไออุปทานกินเลสอะไรพวกนี้มันก็มีมามีมาเนี่ยเขาคิดว่าอย่างงี้มันดีอะแล้วเขาก็ชอบอะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาชอบผู้ชายเขารักผู้ชายเขาหลงผู้ชายอ่าเขาติดผู้ชายเพราะนั้นเขาก็ เอาอะไรที่เขามีอยู่สารพัดเขาก็เอามาหลอกมาล่อเพื่อที่จะให้คนมารักมาชอบเขาคนชอบของหวานเขาก็ใช้ของหวานล่อคนชอบเค็มเขาเอาเค็มล่อเอาซีอิ้วล่อคนชอบขมเขาก็เอาบอระเพ็ดล่อ <c oughs> อ้าวใครชอบขมใครชอบเผ็ดเขาก็เอาพริกล่ออือใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าชอบอะไรเขาก็เอาอย่างนั้นล่อให้ติดให้หลง นะแต่ในที่นี้นี่เขาเปรียบเหมือนกับน้ำตาลกรวดธรรมดาหญิงในโลกเป็นคนลามกไม่มีเขตแดนกำหนัดนักทุกเมื่ออันนี้ตามเขาพูดมานะตามพยานกแล้งอานน์ว่าผู้หญิงและขนองกินไม่เลือกเหมือนเปลวไฟไหม้เชื้อทุกอย่างนะกินไม่เลือกเลยบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงเป็นไม่มี ไม่เป็นที่รักก็ไม่มีเพราะหญิงทั้งหลายย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่รักทั้งที่ไม่น่ารักคือคบได้หมดนะถ้าอิทธิภาวะเนี่ยคือถ้าใครมีกิเลสกามมาตำถาคบหมดไม่เลือกจะน่ารักไม่น่ารักคบหมดเพราะคิดแต่เรื่องการมราคะอย่างอื่นไม่สําคัญวันเนี่ยคบหมด ที่สำคัญคือคิดแต่กามเท่านั้นนะเพราะนั้นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามถ้ามีกิเลสกา ม, มาตัญหาเนี่ยจัดจ้านแล้วนะเนี่ยดี๋ยวบอกว่ารามกไม่มีเขตแดนเนี่ยกหนัดนักทุกเมื่อถ้าใครมีจิตกามราคะการ ม, มาตัญหาแบบนี้โอ้คุณไม่เลือกจริงๆเหมือนไฟที่กินบุรุษก็ได้กินสตรีก็ได้กินผู้หญิงก็ได้ นะกินได้ทุกคนเราฟังเรื่องชาดกในเรื่องนี้มาตั้งเยอะเห็นไหมคนรูปลอก็เสร็จคนอบับประก็เสร็จ <c oughs> เสร็จหมดไม่เหลื อ, อเพราะอะไรเพราะกามเพียงเท่านั้นหญิงย่ำผูกพันชายเพราะต้องการทรัพย์เหมือนเถาวันพันไม้เลื้อยเลื้อยพันไม้ หญิงทั้งหลายย่อมติดตามชายที่มีทรัพย์ถึงจะเป็นคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าเลี้ยงโคคนจันทานสับเบลอือคือได้ทุกอาชีพขนาดสับเบลือก็ได้คนเทอยากเยี่ยคือคนเทขยะนั่นเองก็ช่างหญิงทั้งหลายย่อมละทิ้งชายผู้มีตระกูลแต่ยากไร้แล้วติดตามชายใดก็ได้เพราะเหตธแห่งทรัพย์ คือคือต่อให้มีชาติตระกูลดีหมายถึงผู้ชายเนี่ยนะมีชาติตระกูลดีแต่ถ้ายากจนแล้วไม่มีความหมายนะเทียบไม่ได้เทียบไม่ติดแต่ถ้าเป็นสั ป, ปเล อ, อะแต่รวยอะสั ป, ปเพลรวยนะกูเย่าคิดว่าสั ป, ปเพลจนน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าสั ป, ปเพลรวยรวยหน้าตาไม่หล่อด้วยเอาอแต่ว่ารวยผู้หญิงก็ ชอบอกิจการลงศพนี่ขายดีนะโอ้โหคุณดูที่เขามีสัมปทานกับวัดอ่ะใช่ไหมวัดไหนวัดไหนนี่มีไอ้นั้นเท่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนตายก็ทุกวันนะ่ะคุณดูที่ก็มีเผาศพอยู่ทุกวันนะคุณว่าไม่รวยเหรอ <c oughs> มีเผาศพทุกวันแล้วลงดึงเบาเท่าไหร่อ่ะลงดึงใหญ่ไอน้อยเท่าไหร่ขี้หมูขี้ห ม, มา ฮะลงไม้ธรรมดาสองสาพันอา่ากลางๆหน่อยก็สักห้าหกพันอ่าวลงไม้ดีหน่อยลงเลยลงยาำปลาลงไม้สักเอา้าเออก็เป็นหมื่นขึ้นไปโอ้โหกิจการดีนะรวยมาแล้วอะ่ะมีคนเขารวยมาแล้วอะ่ะเพราะกิจการแบบนี้เพราะนั้นพอรูปหลอเนี่ยสู้ไม่ได้แล้ว สู้ในห้างโรงศพไม่ได้นะพ่อรูปหลอ่อพญาแ้งชื่อว่าอานน์ดำรงอยู่ในความรู้ของตนกล่าวโทษแห่งหญิงทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็นิ่งอยู่นะพญาแนงนิ่งมาแล้วนะกร น, นี้ครั้งนั้นพ า, ามฤษีชื่อว่านาระทะรู้แจ้งชัดซึ่งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแห่งคาถาของพญาแร้งชื่ออานน์ น, นั้นแล้ว ก็ดำรงอ ย, อยู่ในยานของตนแล้วก็กล่าวโทษแห่งหญิงบ้างว่าเอาล่ะนะพูดอย่างง่ายสรุปตอนนี้น ะ, ะพยานกกุณาะเนว่ายาวมาตลอดเลยจนกระทั่งเหนื่อยละขอพักหยุดเงียบไปพอเงียบไปปับ๊บนูนใครบ้างอะคนนู้นก็ขอพูดบ้างคนนี้ก็ขอพูดบ้างล้วนพูดว่าผู้หญิงทั้งนั้น พูดง่ายว่าตอนนี้แต่ละคนที่มาฟังพญานกกุณาละถ้าใครจําตั้งแต่ตอนต้นได้นะโห mm hmm. oh, ซึ่งจํานวนมากเลยนะผู้ที่มาฟังผูดง่ายว่าลุมกินโตผู้หญิงตอนนี้ <c oughs> นะอตอนนี้ถึงคิวของฤาษีและนารทะก็บอกบ้างว่าเนี่ยผู้หญิงไม่ดียังไงดูก่อนพญานกแรงนะและท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าว มหาสมุทรหนึ่งพรามหนึ่งพระราชาหนึ่งหญิงหนึ่งทั้ง4อย่างนี้ย่อมไม่เต็มอิ่มนะ่ทีนี้ขยายละนะวันหนึ่งก็คือบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยทำไมถึงไม่เต็มคือแม่น้ำสายใดสายหนึ่งอาศัยแผ่นดินไหลไปสู่มหาสมุทร แม่น้ําเหล่านั้นก็ยังมหาสมุทรให้เต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นมหาสมุทรชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องอยู่เป็นนิดพูดง่ายว่ามหาสมุทรเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มหรอกเพราะว่าแม่น้ําลําคลองน้อยใหญ่อะไรต่างๆจะกี่ร้อยกี่พันสายก็ตามไหลไปรวมกันที่มหาสมุทรแต่ก็ไม่สามารถทําให้มหาสมุทรนี้เต็มไปได้ ก็ยังรับได้ตลอดมีอีกเท่าไหร่ก็รับได้ตลอดเพราะนั้นก็เลยบอกว่านี่นะมหาสมุต์เนี่ยไม่มีอิ่มไม่มีพอนะสองข้อนี้พูดถึงพรามส่วนพรามเรียนเวทอันเป็นอันมีการบอกเป็นที่ห้าได้แล้วยังปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพรามจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องอยู่เป็นนิดผู้ง่ายว่าอพรามหรือว่าผู้ที่ เป็นนักศึกษานั่นเองเอหรือว่านักบวชก็ตามเอานะผู้ที่มาศึกษาธรรมะหรือว่าเป็นนักศึกษาในทางธรรมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดเนี่ยใช่ไหมโอโ้โหเรียนรู้ไอ้นั่นเรียนรู้ไอ้นี่เรียนรู้ยังไงเรียนรู้ยังไงก็ตามธรรมะเนี่ยหรือสัจธรรมเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเรียนยังไงไม่รู้จักหมดเหมือนกับผู้ผู้วเจ้าท่านเปรียบอะไรอะอามาสอนเรานี่แค่ ใบไม้ในกำมือเท่านั้นเองแต่โอ้โหจริงๆแล้วเปรียบเหมือนกับม โ, โหใบไม้ในป่านู่นเนี่ยใช่ไหมเต็มต้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วความรู้นี่มันไม่มีอิ่มไม่มีพอแม้แต่การศึกษาธรรมะนี่ก็ไม่มีจบเพราะฉะนั้นการที่พระอรหันต์หรือว่าพระุทธเจ้าเนี่ยปฏินญญาไปไม่ได้หมายความว่าความรู้นี่มันจบแล้วนะความรู้ยังมีอีกถ้าจะศึกษาต่อ แต่ที่จบนั้นก็คือจบเรื่องกิเลสกิเลสมันจบแล้วไม่เอาต่ออีกแล้วแล้วก็ไม่คิดจะศึกษาต่ออีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยปรินิพานซ ะ, ะไม่คิดมาเกิดอีกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาหมดแล้วทำไมถึงการศึกษาไม่มีวันหมดเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะคนในโลกเนี่ยมันมันไม่ตายหมดโลกสัที เพราะอะไรทำไมมันไม่ไม่ตายหมดโลกสักทีเพราะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาไงมีกิเลสตัณหาอุปทานอะไรต่างก็เกิดตลอดเวลาเกิดตลอดเวลาแล้วถ้าคนเกิดตลอดเวลาก็ต้องหมายความว่าโอ้โหมันก็ดิ้นรนอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาน่าจะเรื่องกินสูบดื่มเสพจะเรื่องอะไรต่างๆมันไม่มีวันหยุดวันตราบใดที่ยังมีคนที่มีกิเลสอยู่ตราบนั้นโลกไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ ไม่มีวันเต็มได้เลยอารากี น, นี่เป็นพรามอันนี้อย่างที่สามก็คือพระราชานะ่าทำไมไม่ไม่เต็มไม่พอพระราชาทรงชนะแผ่นดินทั้งหมดอันบริบูรณ์ด้วยรัตนน้บไม่ถ้วนพร้อมทั้งมหาสมุทรและภูเขาครอบครองอยู่ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝั่งโน้อนอีกเพราะฉะนั้นพระราชาจึงได้ชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องอยู่เป็นนิด พูดง่ายว่าก็ยังตราบใดพระราชายัางบ้าอำนาจอยู่อยังอยากจะครอบครองไอโนยไอนี่อยู่มันจะพอได้ไงอะ่ะต่อให้เป็นใครนะเจงกิสกานโอ้โหตีมาจนตีไปถึงยุโรปตีเอเชียได้เกือบทั้งหมดตีเข้าไปโน่นตีเข้าไปนี่จนในที่สุดก็โอ้โหไม่พอไปได้ไกลกว่านี้ก็จะตีทั้งโลกอะ่ะโลกทั้งโลกก็จะครอบครองให้หมดอะ่ะ ถ้ารอบขอบของโลกนี้ได้แล้วเป็นไงเดี๋ยวหาโลกลูกใหม่อีกหาโลกลูกใหม่ต่ออีกถ้าตาบไดกิเลสตัณหาพวกนี้มีอยู่ไม่มีวันจบนะสี่เขานี้มาถึงผู้หญิงแล้วหญิงคนหนึ่งมีสามีถึงแปดคนสามีล้วนเป็นคนแก้วกล้ามีกําลังสามารถนํามาซึ่งการมรลทุกอย่างหญิงยังกระทําความพอใจในชายคนที่เก้าอีก เพราะฉะนั้นหญิงจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องอยู่เป็นนิดอันนี้ก็เปรียบว่าผู้หญิงไม่มีอิ่มไม่มีพอจริงๆใช้คำนี้เนี่ยถ้าจะใช้คำที่พู้เจ้าท่านตัดก็คือกามกามเนี่ยไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะผู้ชายก็ตามจะผู้หญิงก็ตามถ้ายังมีกามกิเลสนี้อยู่พร่องอยู่เป็นนิด ไม่มีวันรู้จบไม่มีวันรู้สิ้นจะเป็นร้อยคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนยังไงไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดทแล้วตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านชาติมันโอหัวยุ่งกับผู้ชายผู้หญิงอะไรมาเยอะแยะมามากมายแต่ไม่มีวันจบละไม่มีวันหยุดเพราะหยุดได้ในมีอย่างเดียวเท่านั้นคราวนี้หยุดได้คือยังไง ะหยุดได้ก็คือไม่ไม่เอายังมีชีวิตอยู่สิยังไม่ตายอ่ะหยุดได้ก็คือตายไม่ได้หมายความว่าหยุดนะหยุดได้ก็คืออ่ะก็ต้องพยายามเนี่ยทำกิเลสกรมให้หมดให้ได้มันถึงจะหยุดได้ถ้าตาบใดเนี่ยกิเลสกามยังไม่หมดหยุดไม่ได้ความตายไม่ได้หยุดกิเลสกาม เดี๋ยวก็มาเกิดอีกแล้วก็กามเนี่ยแหละพามาเกิดกามมันแหละที่พาให้มาเกิดเพราะว่าอยากที่จะมายุ่งกามอีกเพราะงั้นความตายไม่ได้เป็นตัวหยุดกามทิ้งไปได้วันถ้าใครเนี่ยอยากจะเลิกกามทิ้งได้ก็คือต้องอต้องลดกิเลสกามไปเรื่อยๆลดๆๆจนกระทั่งไม่ให้เหลือเลย แล้วถ้าเกิดใครเนี่ยลดกิเลสกามไปได้แต่ยังอยากเกิดเอาขอ้อนี้เกิดได้ไหมเกิด ไ, <ง>ได้ไหมได้ทําไมถึงเกิดได้อะก็ไม่มีกิเลสกรรมแล้วนะไม่มีกิเลสกรมแล้วยังเกิดได้อีก <c oughs> ไม่มีกิเลสกรรมแบบผู้ชายผู้หญิง ฟังดูให้ดีนะถ้าไม่มีกิเลสกรรมแบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแต่เรายังอยากจะเกิดเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนหรือว่าจะมาเขาใช้สำนวนว่าลือขนสัตว์ก็ตามแต่คือเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเกิดได้นะอันนี้เราเรียกว่าวิภวะตันหาตันหานี่ก็คือยังยังเป็นความอยาก ยังเป็นกามได้แต่ไม่ใช่กามผู้ชายผู้หญิงแต่เป็นกามตัณหาที่อยากจะช่วยเหลือคนอยากจะมาสอนคนอยากจะมาทาให้คนเนี่ยพ้นทุกพ้นร้อนได้อีกมันไม่ใช่กามแบบผู้ชายผู้หญิงแต่กามแบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยขาดได้แล้วศูนย์ได้แล้วไม่สามารถที่จะมาทาให้เกิดได้อีกพาเกิดได้อีกสำหรับกามผู้ชายผู้หญิงแต่ที่คราวนี้เนี่ยมเกิดเป็นตัวตนอีกเพราะ วิภวะตันหาที่พามาเกิดไม่ใช่การมาตันหาพามาเกิดแล้วก็ไม่ใช่ภวะตันหาพามาเกิดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ยังเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะยังมีการมาตันหาพามาเกิดเพราะยังมีภวะตันหาจึงพามาเกิดนะแบบผู้ชายผู้หญิงอ่ะแบบการมาตันหาเนี่ยคือตันหาแบบผู้ชายผู้หญิงพามาเกิดส่วนภวะตันหานี่ ไม่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้แต่เป็นความสุขอะอยากยังยังอยากมานั่งนิ่งนิ่งสบายสบายเฉยเฉยมีความสุขอา่าไม่ใชการแบบผู้ชายผู้หญิงแต่เป็นการแบบเนี้ยเป็นความสุขเป็นความสบายแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็ยังต้องกลับมาเกิดนะส่วนวิภาวดีตันหานี่ ก็เป็นตันหาที่พามาเกิดแบบจิตของโพธิสัตว์ที่พามาเกิดนะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แก่โลกนี้อีกก็ทั้งหมดใช่ไห ม, มสงสัยคงจะจบลงตรงยืนดี๋ยมักงนะจบลงตรงตรงไหนอะ ตรงเรื่องของกามเนี่ยนะที่บอกว่าไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดอันนี้เปรียบกับหญิงหรือเปรียบกับอิตถีภาวะนั่นเองนะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้นะก็ลองไปดูคือเอาอิทถีภาวะเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องกามผู้ชายผู้หญิงก็ได้ไปคิดกามเรื่องอาหารการกินไปคิดกามเรื่องเสื้อผ้าการชอบแต่งดีแต่งตัวชอบ ข, ของเครื่องใช้อะไร อันนั้นก็เป็นกรารอย่างแต่ว่าไม่ใช่กามแบบผู้ชายผู้หญิงลองเอาไปเกี่ยวดูสิไอ้อาไปเปรียบกับจิตของตัวเองดูว่ายังพ่องอยู่เป็นนิดไหมแม้ยังอยากได้นั่นยังอยากได้นี่ทําไม่ได้มาแล้วลงไปนอนดิน้นกระแดกกระแดกนะร้องโหมร้องไห้เรียกร้องต้องให้ได้มาให้ได้เป็นหรือเปล่าถ้าเรายังมีจิตอย่างนั้นโอ้โหนี่ยังอิทธิภาวะมากนะ เรื่องกินแมาบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาในหัวเลยนะตื่นเช้ามาถึงขึ้นมาในหัวเลยว่าเดี๋ยววันนี้ต้องกินได้นีให้ได้วันนี้ต้องกินได้นีให้ได้ขึ้นมาเองเลยนะไม่รู้ล่ะไปสั่งสมอะไรมาไม่รู้ล่ะมันขึ้นมาเลยมันเรียกร้องในจิตวันนั้นก็เลยโอ้โหสอกแสกสิคนนี้ศอกซอนเที่ยวต้องหาให้ได้ละมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนะไปหาให้เจอถ้าไม่เจอโอ้โหหงอย ซึมเศร้าใจทุกใจเสียใจอย่างงี้กามแม้อย่างนี้เรื่องกินก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้อย่างนี้ให้รู้โอ้โหนี่เรายังพร่องมากเล้เนี่ยเคำว่าพร่องนี่มันจะหมายถึงในทางที่ดีนะนี่มันพร่องนี่หมายถึงว่าโอ้โหจิตเรามันยังแย่ยังเสื่อมอยู่มากยังโหยหาอะไรอาวอนความอยากเหลือเกิน วันเมื่อเราดูตัวอย่างนี้เราจะได้หัดอดหัดงดหัดฝืนใจหัดละเว้นมันบ้างแล้วเราก็ปรับจิตปรับใจเราให้มันดีให้เห็นโทษของมันให้เห็นภัยของมันแบบดูสิมันทําให้เราทุรนทุลายทําให้เราทุก ร, ร้อนใจยังไงบ้างพอเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็จะได้เออค่อยๆสลายตัวจิดยึดตัวผูกพันตัวอะไรอวรนตัวโหวยหามันเนี่ยมันก็จะค่อยๆตัดออกเจียนออก จนกระทั่งมันน้อยลงน้อยลงแต่ที่ความอยากเราก็น้อยลงคราวนี้เราเริ่มเต็มละมีความเต็มละมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องเอาอีกก็แล้วไม่ต้องเอาอีกแล้ ว, เ, ออลวเราพอแล้วไอ้เท่าที่เคยกินเคยเสพเคยใช้มาโอ้โหมันล้นเหลือแล้วมันมากพอแล้วต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไอ้เรื่องพวกนี้อีกแล้วก็ได้อันนี้คือผู้ที่เต็มผู้ที่อิ่ม แล้วก็ผู้ที่พอได้แล้วเอาวันนี้คงฝากไว้เช่นนี้ก่อนนะ